ไปสู้กัตแม็กทับคนสําคัญของต่างๆพร้อมด้วยนายทัพนายกองทัพปวงยกมาถึงเมืองตางหินแล้วก็ได้รวดเตงหองเพื่อทำการมีชัยชนะด้วยทหารจำนวนสามพันเท่านั้นก้อยปูบำเห็กรางวัลแก่นายทัพนายกองและราวทหารเป็นอัลมากแล้วก็ปรึกษากับ ขุนนางทัานพวงวัดสุมาเจิ๋วยกทัพมาทำมันตรายแกเราครั้งนี้เสียทีแล้วร่าทัพหนีกลับไปแล้วเมื่อเราได้ทีชะนี้เนี่ยจะยกทัพตามไปตั้งขาดประชิดยู่ข้างใต้แล้วจะให้มีหนังสือไปถึงเกียงอู่แห่งเสฉวนให้ยกกองทัพตีกระหนาบเข้ามาทางข้างทิศ เ, เหนือก็วังว่าจะได้เมืองลกเอียงโดยสะดวก เมื่อได้มีโลกเียงแล้วก็จะแบ่งแผ่นดินกันคนละครึ่งมีจูกัดเกเชื้อสายจูกัดเลี้ยงหกหลงขนเบ่งแต่จูกัดเ ก, กมีอยู่ทางกลางฝ่นะวางแผนการดังนี้ความจริงก็ถูกอยู่ละดยเศษช่วนกลางตังเนี่ยอยู่ในความเป็นมิตรต่อกันเป็นอันดีมาช้านานนะบัดนี้จูกัดเ ก, กจะใช้แผนการนี้ เก่งยุยกับลงมาช่วยกันตีกระหนาจู ก, กัดเก็กกลาวปรึกษาแก่ขุนนางนายฐานบัวดำนี้แล้วก็เร่งเกณทหารให้ได้20นสิมยกไปตีเมืองวีโกไปถึง ก, กลางทางบังเกิดควันพุ่งขึ้นจากแผ่นดินฉะนั้นแหละคือมืดมนนกะแม้แต่นั่งอยู่ใกล้กันเนี่ยก็ไม่เห็นตัวเกิด อ, อัศจรรย์ขึ้นอย่างนี้ เกี่ยวเอียนที่ปรึกษาคนหนึ่งก็จริงว่าการประหลาดเกิดขึ้นดังนี้ขา้าพจ้วัดดีร้ายก็ตามจะเสียแม่ทับขอให้ท่านลาทัพกลับมือกนานตางเถิอย่าไปปีเมืองวิโกกเลยเกี่ยวเอียนเรียกว่ากล่าวทำไมอย่างนี้จู ก, กับเก็กได้ยินงก็โกรธนะักทีเดียวก็จึิงว่า เราจะทําการใหญ่ให้มีชายชนะแต่ท่านมาว่าให้ร้ายแกเราเส้นดังนี้แก่นายทัพนายกองถามน้ำวงเสียน้ําใจใครมันั้นมโทษท่านนี้ผิดอาญาสุดนะอยู่กัดเก๊เกว่าแล้วก็สั่งให้เอาตัวเจียวเอียงที่ปรึกษาเนี่ยไปฆ่าเสียนายทัพนายกองก็ชวนกันเข้ามาขอโทษให้กับเจียวเอียง จูกัดเก็กก็ยกปวดหัแต่ให้ถอดเสื้อคุนนมางเป็นไพรและค่ยเร่งยกกองทับไปเบงหองผู้สามารถคุจิลเข้ามาพูดกับจูกัดเก็กกว่าขบเจ้าพิเคราะห์ดูเห็นว่าด่านสิ้นเสียเนี่ยมั่นคนนะเป็นที่สำคัญของเมึงวีโกถ้าเราตีได้ด่านสิ้นเสียแล้ว สูมาสูก็จะตกใจและเราจะตีต่อเข้าไปก็เห็นจะได้โดยสะดวกจู ก, กัดเก็กก็เห็นชอบด้วยสร้างให้เร่งยกทับไปทางด่านสิ้นเสียเลยทีเดียว เมือด่านทุนรายเนี่ยก็เนื้อความไปแจ้งแกเตียวเต็กนายใหญ่ผู้รักษาด่านบนบัด น, นี้ต้องทัพฝ่าเมืองกลางต่างยกมามากนะเตียวเต็กทราบความแล้วชนิดเห็นเหลือกำลังที่จะออกสู้ก็จริงสั่งให้ปิดประตูด่านบังมันรักษาอยู่ฉะนั้น นี่ก็เป็นการสู้วิธีนี่ไม่ใช่ไม่สู้คือการต่อสู้เนี่ยถ้าเห็นว่าเจ้าชายชนะขาสุดได้ก่อนน้ากองทัพออกโจมตีแต่ถ้าเห็นว่าเจะเอาชนะขาสุดนี่ได้เนี่ยกดปั้งมันรสสาดานเป็นมั่นคงอยู่อย่างนี้เอาเปียวเตกอกกระทั่งเช่นนี้ดู ก, กับเด็กแม่ทัพยาแห่งกลางฝั น, นค่อยตั้งค่ายร้อมเข้าวัดและมาชายถือดุสือไปถึงเกียงอวี แห่งเสฉวนตามความคิดที่คิดไว้คือการต่างกับเสฉวนรวมกำลังกันเข้าบทขยี้วิโกโลกเอียงนี่เดียวเต็กนั้นก้อยมาใช้ถึงรู้สึอเหมือนกันไปแจ้งข้อราช ก, การยังมีโลกเอียงละ่ะมีมีสงพี่ปรึกษาค น, นพูดงว่าแกสุมาสูว์อ่คือตอนนี้ก็มีสุมาสูสุมาเตเนี่ย เป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในวิกก็ลกเอียงส่วนกระเจ้โจโหองห้องเต้นั้นก็สั้างอยู่ในที่สมุติกระสับไม่ต้องกระทําการใดหรอกแสตซูมาทั้งสองนี่เด็กอุมหมาทั้งฝึนทั้งฝ่ายพลเรืนและทหารนี่มีสงที่ศึกษานั้นก็ถือว่าแกสูมาสูว่าครั้งนี้ กูกบเก๊กเห่งกังตังมาล้อมด่านสิ้ปเสียด่านสิ้ปเสียก็มั่นคงผู้คนอยู่รักษาก็เข้มแข็งเห็นจะไม่เป็นอันตรายเราิ่ีเสียก่อนเถอะจะผู้แต่งกองทัพออกไปช่วยเลยกูกบเก๊กยกทัพมาหนะ่ะไกลนักจา ก, กังตัง และจะได้สเสบียงอาหารมาสักกี่มากน้อยอยู่ไปแต่หน่อยนึงก็จะสิ้นเสบียงในที่สุดก็ต้องลาทับกลับไปเองเมื่อจู ก, กัดเก็กลาทับหมีไปแล้วเราจรึงจะยกกองทัพรายติดตามปีก็เห็นจะได้ช้ยชนะฝ่ายเดียวอีกข้อหนึ่งนั้นขบเจะเกรงข้างฝ่ายเหเยนือขึ้นเสฉวนเกียนอุย จะยกลงมาเป็นทัพกระนาขอให้แต่งกองทัพไปป้องกันมีมีสงให้ํำแนะนำแกสุมาสูเช่นนี้มาสูเดก็กปวงก็เห็นชอบด้วยก็จีเนสุมาเดียวถูกคุมอามาทางาหารคุณทาหารไปช่วยกล้วยไวยรักษาเมืองเองกิวให้มือคิวเขียงกับอ่าวตึง คุณทหารยกไปทางด่านสิ้นเสียและก็สั่งว่าให้ท่านคอยดูก่อนจนรั่วกองทัพจู ก, กัะเก็ตสิ่งสเสบียงถอยหนีแล้วนั่นแหละก็จงเร่งรีบนำกะมางทหารไว้ติดตามโจมตีให้เป็นสามารถนี่ขังไฟวีกก็ล็อกเขียงคือแส้สูมา ใช้วิธีการนี้ป้องกันข่าสุดคืส่งกําลังไปยังไว้ทางแดมเสฉวนคือเรียกว่าขั้นฝ่ายเหนือ แ, และที่นี้ขั้นฝ่ายใต้คือกางตังเนี่ยส่งกําลังไปเหมือนกันแต่ไม่ต้องทําอะไรไวคอยทีเพราะการตังยกทัพมาไกลเตรียงอาหารย่อมไม่เพียงพอที่นี่ฟาจูกะเอกละ่ะเราเรามาดูกัน จูกัดเกต ก, ก็สั่งทหารว่าเราจงเร่งหัดด่านเข้าไปให้จงได้เร่งทํารายกำแพงทั้งกลางวันกลางคืนหากผูใดหลบหนีแชร์เชื้อมิเป็นใจด้วยราชการทัพในครั้งนี้จะตัดศีรษะเสียจูกัดเกตออกคําสั่งด้วยอํานาจให้ทานของตนกิดทําการให้สําเร็จและจะต้องเร่งรีบกิดทําให้สําเร็จโดยเร็วเพราะ สเสบียงอาหารที่มีมานะมันจะไม่เพียงพอทาหารทั้งกลวงก็เร่งรีบทำลายกำแพงเข้าโจมตีกระนําทั้งกลางวันกลางคืนกำแพงทางด้านทิศเหนือนี่เห็นจะทำลายเข้าไปนี้ได้เตียวเตกนะเตียวเตกผู้รักษาด่านสินเสียก็คิดกลัวไม่ แต่งหนังสือให้คนถือไปถึงจู ก, กัดเก็กว่าทำเนียเ ม, อเมืองวีโกผ่าขาสิดยกมาตีและผู้รักษาเมืองป้องกันไว้ได้ถึงร้อยวันแล้วถ้าไม่มีกองทัพเมืองหลวงยกมาช่วยเลยผู้รักษาเมืองนั้นเห็นว่าเหลือกำลังที่จะต้านทานก็จะพาทาหารออกไปยอมเข้าโดยขาดสุดพี่น้องซึ่งยังอยู่ในเมือง ก็หาเป็นโทษเป็นทันแบบาการใดไ ม, ไม่นี่แต่ตามธรรมเนียมเป็นอย่างนี้ขะเจ้าก็งอุสารักษาด่านมาได้ประมาณ90วันแล้วก็ยังไม่เห็นกองทัพหลวงยกมาช่วยเลยขอให้ท่านงดงดก่อนให้ช้าอีกสักส0วัน15วันเถอะแต่พอขบเจ้าจัดแจงการ ซึ่งจะได้พาฐานออกไปเข้าโดยธารมดีเตียวเป็กอุมายคือให้ลาช้าไปหน่อยว่านั้นเถอนะนะทีนี้การน่วนเมนียวแบบนี่เป็นวิธีการน่วนเมียวประการหนึ่งถ้านวมเมียวได้กองทับการสังก็จะสึ้นเสบียงไนมีจูกะเก็กมีกลาบขอไปเตียวเป็กผู้รักษาด่านซีเสีย ทช้วิธีเนี่ยก็เรียกว่าหลอกไปเนี่ยว่าถา้ถาร้อยวันนี่เมืองหลวงไม่ส่งกำลังทัพมาช่วยนี่ก็จะยอมแพ้ก็ไม่ผิดอะไรหรอกนี่เขาก็เลยขอให้ให้ร้อยวันก่อนเถอะขอเวลาสักสิวันสิบห้าวันเถอะดูกลับเ ก, กไกแม่ห น, นังสืเนี่ก็เชื่อเชื่อก็จริงเห็นว่ามิควจะส่งทหารไปเกิดทําการรุนแรงให้หวนไหวทางมืงหลวง ของดีกบของมีสิ้นเสียคือกองทัพเมืองโลกเอียงสุงมาสูสุมาเดียวก็ไม่ส่งมาแต่ประการใดอย่างไรแล้วนี่ให้ทนร้อยวันแล้วเดียวเตกุรักษาดานก็จะออกมายอมแพ้เองอะ่ะก็จึงสั่งถานพรพวงให้หยุด ก, การทำลายกำแพงเมืองอันนี้ฝ่ายเดียวเตกลวงจู ก, กัดเก๊กได้ดังนั้นแล้ว เพื่ให้ลวงเหนียวให้เนินไปหน่อยเมื่อค่าศึกหยุกการทําลายกําแพงเมืองเดียวเต็กก็เร่งหยุดตกแต่งกําแพงด้านทิศเหนือซึ่งถูกกระนำยับเยินไปแล้วนักฟังซ่อมแซมหน้ากำแพงทางด้านนี้ให้เข้มแข็งมั่นคงขึ้นเลยทีเดียวแล้วคไยศานถืออาวุธไปเตรียมพร้อมอยู่บนเชิงเทินนี่จัดจา ก, การซ่อมแซมกําแพงเรียบร้อยดีแล้วนี่ เดียวเตก็ร้องว่าสเบียงอาหารของกูในด่างเนี่ยก็ยังมีบริบูรณอยู่จะเลี้ยงดูทาหารละราชดอนอีกสักปีหนึ่งก็ยังได้กูหากลัวแต่ประการใดไหมแล้วกูจะยอมไปเข้าดดวกกับพวกเองไอเหล่าชาติสุนัขเมือนกันตังนั้นด้วยประการใดเดเตค หลอกลวงลวงอูบายได้สําเร็จก็ไปล่องด่าเขาอย่างนี้นี่โดยเฉพาะที่สําคัญเนี่ยด่ามิ้่อยคําที่อ้วนอูเคยด่าสุ่มอ้วนเข้าไว้เลยคําเนี้ยก็เป็นคําที่ถูกหยาบยามกันทั้งเมืองกังตังเลยเนี่ยไอ้เหล่าชาติส ม, มากเมีองกังตังนี่จู ก, กัดเกลโกรธยยิ่งนะัก ฟังทหารนู่นเ่งทำลายกำแพงนี้เป็นการใหญ่ทีเ ด, เดียวเตียวเต็กก็ยิงเกาทันลงมาเตียวเต็กกรักษาด่านยิงเกาทันลงมาที่ประการใดอย่างไรก็ตามเถอะเกาทันจำเพาะมาถูกจู ก, กัดเก็กแน่ทัามีมการตั้งคนสําคัญที่เขาทิ้นับผากถึงกับพังหนาหายร่วงตกจากหลังมา้าลงไปเลยจู ก, กัดเก็กบนเกาทันเขาฟาหาักเช่นนี้ วมืองจะหลังมารงมาทหารก็เข้าไปอุ้มประคับประคองเอาตัวกลับเข้าไปในค่ายจู ก, กัดเก็บเนี่ยแพนยิ่งนะต้องเรียกว่าแพ้รู้แพ้อุบายเขาด้วยเนี่ยแล้วก็ถูกหนาเป็นค้อสาหาัสและยังถูกเกาวทันเข้าเป็นมั่นเหมาะตรงที่หนาผาเช่นนี้ยยังไม่ถึงตายหรอกแต่ความเจ็บแค้นมี่เป็นที่นะเป็นที่ยิ่งนะ ก็สั่งให้ทหารทั้งพวงเร่งทลายกำแพงเมืองเข้าไปให้จบได้บัมดานายหมดในายกองทัพพวงก็จิงว่าบัดนี้ทหารทั้งพวงเนี่ยก็มาอยู่ในชานานนักแล้วกินน้ำกินอาหารผิดสมแดง่วยเจ็บลงเป็นอันมากซึ่งท่านเจด ให้ทหารเข้าไปรบมันเห็นจะไม่ได้ท่วงทีนี่มายหมวดนายกอมารายงานเช่นนี้จู่กัดเก็ ก, ก็โกรธก็ถืว่าถ้าผู้ใดไม่เป็นใจด้วยราชการมาบอกอวยบอกไข้ให้เอาตัวผู้นั้นมันไปฆ่าเสียนี่ห้ามบอกอวยบอกไข้ทหารทั้งปวงทราบประกาศของท่านแม่ทัพเช่นนี้ต่างก็กลัวความปาเลย ถ้าอยู่ไปเจ็บ่ข้ได้ป่วยไปบอกไปกล่าวเข้าก็จะต้องถูกฆ่าไม่ที่สุดทหารเราเนี่ยก็หนีออกจากกองทัพเพื่อเป็นอันมาชัวหลิมเป็นนายทหารผู้ใหญ่ผู้นี้พาสมัครพาพวกของตัวหนีไปเมืองวีกกก็มีฐานเข้าไปบอกแกจู ก, กัดเก็กว่าแบบนี้ทหารในกองทัพของเราเนี่ยหนีทัพไปมากแล้วเมามานดูไปทีเดียว ชัวลิมมายสารผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ น, นำกำลังทหารในบังคับหนีไปเข้ า, าด้วยคาฝึกแล้วจู ก, กัดเก็กไม่ทราบรายงานอย่างนี้ก็ศกใจทีเดียวขี่ม้าไปเชื่อตัวตราดูก็เห็นทหารของตนเบาบางลงไปมากจริงๆที่ยังอยู่ก็เป็นไข้ด้วยการกินน้า กินอาหารผิดสำแดงเป็นไข้พุงโลหน้าบวมผอมเหลืองไปตามๆกันเช่นนั้นในที่สุดจู ก, กัดเก็กแม่ทับมืองกันตังพวกสั่งให้ลาทับกลับเมืองกันตัน ก็จริงตามที่มีสงที่ปรึกษาของสุมาสูกล่าวชี้แจงกสุมาสูลวละว่าทอะไรไม่ได้หรอกนที่สุกงทัที่มาไกลเนี่ยและก็เป็นฝบุเข้ามาโจมตีเนี่ยมันเป็นจุดสคัญตรงนี้แหละคือการส่งสบียนรำเริงอาหารมาไม่ทันเนี่ยว่าผู้คนที่กาเก ม, มาเป็น ติดติดมือในเมื่อไม่มีอาหารหนึ่งเนี่ยมันย่อมแพ้เข้าไปแล้วครึ่งตัวทีนี้ข้างฝ่ายกองสอดแหนมรู้อย่างนี้รัว ต, ตังตังถอยค่อยมาใช้ไปแจ้งแก่บู้ขิวเขียมที่ยกกองทัพมาตั้งสงบนิ่งคอยอยู่แล้วไม่ได้ทําอะไรรอกคอยอยู่คอยให้ข้าสึกธอยแล้วจะได้เร่งโจมตีบู้ขิวเขียมพอรู้ข่าวนี้ก็เร่งยกกองทัพไล่บุกมัน ไปตามกองทัพเมืองกางตังข้าฟันทาหารกางตังล้มตายไ ป, ปน็นมากทีเดียวฝ่ายจูกัดเก็เสียทัพในครั้งนี้ฝ่ายแพทลกลับไปเนี่มีความระอายิ่ง น, นะดู ว, ว่าความจริงแลตรมเนี่ยเรียกว่าหัดไปตามอำเภอใจแต่ผู้เดียวหัดไปตามอำเภอใจแต่ผู้เดียว มผู้อื่คัคดค้นทัศนประธาราการใดก็ไม่ยอมจนถึงจะสั่งประหารเกี่ยวเหอียนน่ะเกี่ยวเหอียนผู้กมาทัานคนสําคัญคนหนึ่งดูกัดเกถึงจะสั่งประหารชีวิตเอาตอนนั้ น, นบัตรนี้เนี่ยตมผทท้าแพรเสียทียับเยินจคนินระอายยิ่งนักก็พาถามที่เหลือตายนั้นนี้กลับมือกันตั้งเพื่อเจ้าะซุนเหหลียงพระเจ้าะซุนเหลียง อตอนนี้มาเจพระเจ้าสุนปวนแล้วมาถึงซินเหลียงแล้วพระเจ้าซุนเหลียงแจ้งว่าจู ก, กัดเก็กพ่ายแพ้เสียทีกลับมาและถูกเกาทันป่วยเป็นสาหัสมาอยู่ณบ้านคือจู ก, กัดเก็กแพ้กลับมาในระอายมากนี่ได้เขาไปกราบพูนไต่อย่างไดเลยพระเจ้าสุนเหลียงรความนี่ก็พาคุนมางผู้ใหญ่ผู้น้อยไปเยี่ยมมาจู ก, กัดเก็กนะ มีความระยเป็นที่ยิ่งก็ถือว่ากรุผมนางทั้งปวงวะข้าพเจ้าไปทำการทุกครั้งทุกทีก็มีแต่ชัยช น, นะครั้งนี้เคราะห์ร้ายทั้งตัวเองก็แทบตายแล้วก็เสียทหารไปเป็นอัน ม, มากได้รับความอับประยชน์นะเพราะนายทัพไายกองทั้งปวงนี้ไม่เป็นใจจึงเสียทีแก่ข้าสึก นี่จูกัดเก็กแตยังมีผิดผิดอยู่อย่างนี้ก็กล่าวต่อไปว่าถ้าผู้ใดตีเตียนนินทาว่าเราเสียทัาเราจะจับตัวผู้นั้นไปฆ่าเสียนี่จูกัดเก็กประภาคิดไหมว่าความผิดทั้งตัวนี่ความจริง้มเองสิเป็นผู้กระทำผิดความผลาดแท้ทั้งตัวนี่ก็ต้นเองสิเป็นผู้แท้แต่กลับ ฟังฆ่าโพกแกผู้ตีเตียนขุนนางทั้งหลายทั้งปวงเด็กฝันก็เจ็บใจครัองแกตอบคาจู ก, กัดเก็กก็ไม่ดได้เดกเกรงว่าจู ก, กัดแก็กเป็นขุนนางอุยใหญ่ในแผ่นดินเลยทีเดียวละ่ะข้าพระเจ้าสุนเหลียงนั่นก็พาคุนนางกลับไปจู ก, กัดเก็กก็ถอดเสื้อจุนซึ่งเด็กคุ้มตารักษาพระองค์ออกเสียจากที่ แล้วก็ตั้งเตี่ยวเอียดกับจู่อินให้เป็นนายฐานรักษาองค์แทนสุนจุนคนเด้เป็นเชื้อพ่อหลวงเป็นลูกสุนหยงเป็นหลานสุนเจิงสุนเจงคนนี้ความจริงเป็นน้องสุนเกียนมีดาซุนอ้วรครันจูกัดเก็กถอดซุนจุนออกเสียจากพี่เนี่ย ซุนจุนก็มีความแค็ง น, นะแต่ก็ไม่รู้ที่จะทําประการใดก็หนิงอยู่มีความบุ๋นไวในการต่างระเตงอินคุณนานผู้ใหญ่ผู้หนึ่งนะก็มีใจเจ็ดแค็งจูกัดเก๊กมาแต่ก่อนครั้นแจ้งเนื้ความทั้งสิ่นี้ซุนจุนถูกถอดได้อย่างนี้ด้วยอํานาจของจูกัดเก๊กเนี่ยเตงอินก็ไปหาซุนจุนและก็จึงว่าจูกัดเก๊กคนนี้ ได้เป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็คมขีขุนนางทั้งปวงนะทำการทุกวันนี้ขบเจ้าพิเคราะห์บัวเห็นว่าดูกัดเก็กนี่แหละเป็นขบบต่อแผ่นดินท่านรู้ก็เป็นเชื้อประวงเขตุนายจินนิ่งเสียไม่คิดอ่านที่จะกำจัดศัตรูราชสมบัติเลยเป็นหินกล่าวดังนี้ ซุนจุ๋ก็จีว่าการอันนี้ขบเจาะก็คิดมานานอยู่แล้วแต่ว่าจนใจด้วยหาพรู้ที่จะปรึกษากับผู้ใดไม่ถ้าได้ท่าเป็นเพื่อนร่วมคิดแล้วเหวนจะทำการสำเร็จขบเจาคิดว่าจะพาท่านเข้าไปทูลกับพระเจ้าสูงเหลียงให้แจ้งซึ่งการที่ขบเจาจะกระทาทั้งปวงนี้ เพื่อจะคิดอ่านจับจูกะเก็ตท่านเห็นประการใดเออซุนจุนจะเกิดทําโดยวิธีนี้คือกราบทูลพระเจ้าสุเหร่ให้สาก่อนเนี่ยเตงอินด้วยฝันหินชอบด้วยทั้งสองก็พากันไปเฝ้าเพร่เจ้าซุนเหมียนแล้วก็กระซิบทูลความทั้งปวงให้ทรงทราบพระเจ้าสุนเมียนก็จึงกล่าวว่าการอันนี้ ขับพิเคราะห์เห็นมานอยู่แล้วแต่พวกก็จนใจหารู้ที่จะทำประการใดได้ไหมด้วยเขามีอำมาจอยู่แตรนี้ท่านทั้งสองมีความจงรักภักดีต่อเราเห็นแก่การแผ่นดินก็จงเร่งคิดอ่านกำจัดปักลูแผ่นดินให้จงได้เถอะเองอินก็พูกว่าขอพระองค์ แต่งทหานที่มีปืนมือพร้อมด้วยอาวุธมาซุ่มอยู่ในฉากแล้วสั่งว่าถ้าได้ยินเสียงทิ้งจอกชัวร์แล้วให้ทหารเหล่านันออกมาฆ่าจู ก, กัรเก็กเสียก็ทำการชะนี้คงจะสำเร็จมีคท่านปรึกษาเตรียมการกันชนี้แล้วพร้อมแล้วก็ให้คนไปเชิญจู ก, กัรเก็กมาจิ้โต ฝ่ายตูแตกเก๊ตัวอยู่ด้วยพิษกาวทั้ทงปินภาพนะกดเจ็บทั้งกายทั้งใจแหละตัวอยู่หนาเรียนตนค่อยเดือดร้อนรำคาญใจนะก็จึงออกมาว่าจาด ก, การแลไปเห็นผู้หนึ่งนูกนขาวหมขาว และพวกผ้าขาวเดินเข้าไปแลดปากหน้ามันก็โกรธสังถามให้จับตัวมาเที่ยนปีอสอบถามมันเรความผมเองก็ให้การว่ามีดาข้าพเจ้าถึงแก่ความตายข้าพเจ้าจะไปมีมนหลวงกีนมาทำบุมแตนน่ไม่ได้รู้ว่านี่เป็นจวนที่อยู่แห่งพ่านผิดว่าเป็นวัดข้าพเจ้าเข้ามาในที่นี้กนผิดมัก ก็แล้วแต่จะโกรธมึงมันไม่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นได้อย่างนั้นแหละเอาผจะไปนิมนทร์รเห็นจวนที่อยู่ที่ประทัของท่านชูการเกคเด น, น, นึกว่าเป็นวดัดหรืออย่างนั้นแหละชูการก็บบโกรธนักก็ตีารรักเลขสารรักประตูเข้ามาถามว่าเอ็ดในอ่ะให้ไอ้คนนี้เข้ามาในบ้านทหารที่รักษาประตูตหมดประมาณ สีิคนก็ให้การว่ า, าเระเจ้าก็ถืออาวุธครบมือรักษาประตูพร้อมมากันอยู่แล้วก็หาเห็นผู้ใดผ่านเข้ามาไม่คนเหานี้ก็ปฏิเสธอย่างเนียวจูกัดเก็กก็สั่งให้เอาฐานที่รักษาประตูเนี่ยทั้ง4ี่สิบแล้วเจ้าคนที่เข้ามาว่าจะมามีมุนหวงจีนไปทำมุนศพพ่อดีแหละให้เอาตัวไปฆ่าเสียทั้งหมดเลย จะเป็นธรรมดาอยู่ที่คราวเพราะหยามร้ายมันจะเกิดเนี่ยมันให้มีอัศจรรย์แปลกๆเกิดขึ้นได้อย่างนี้จะคนผู้นี้เป็นใครยังไม่ให้กดปามจะไปมีมูลงิีิมาทำบิณเห็นจวนของกันทวัดเจตการมาเป็นวัดซะแล้วในที่สุดก็พากันลายไปทั้งหมดแล้วจู่กับเก็กสังฆรารบอกขั้นเวลากัคืน ก็ให้กระตุ้นลมคานใจ ย, ยิ่งนะนอนก็ไม่หลับได้ยินเสียงเมืนฟ้าผ่าเคลืนออกมาแลดูเห็นอกไก่จวนของท่านบู้จัการเนี่ยขาาะวินสองท่อนก็ตกใจนะเก็กอาสึกจังแบบนี้กลับเข้าไปนอนก็นอนไม่หลับมีศาส์หลอกหลอนเป็นลมพัดมาถูกตัว ท่นเดือยวไปก็ เ, เห็นคนที่ตนสังให้ฆ่านะั่นนะ่ะไม่มีศรีรษาหรอกแต่นู้นเนี่ยพากานยิ้มศีรษาของตมเดินตามกันก็ามาร้องว่าท่านจงเอาชีวิตมาให้เราท่านจงเอาชีวิตมาให้เราจูกัดเด็บ เ, เห็นอย่างนั้นได้ยินอย่างนั้นก็กุ้งอิงนะดิ้นจนพับตกจากเตียงแม่นิ่งไปเป็นคู่ทีเดียว ผู้พยาบาลก็เข้ามาช่วยแก้ไขจนฟื้นครั้งเวราชาวกูกัดเก็ดัูู้ญิงยายมีอำนาจยิงยิงตังๆออกมาล้างหน้าก็เหม็นขาวน้ำในกระถางล้างหน้าน่ะมันเป็นกลิ่นโลหิตไปหมดก็โกรดนะว่าใครเอาเวียกมาใส่ในน้ำอ่ะก็จึงให้คนใช้ไปตักน้ำมาให้ใหม่เป็นหลายครั้ง ก็เหมือนข่าวเป็นตีนเลีเยดอยู่ทั้งขึ้นอยู่ทั้งนั้นแหละก็สงสัยนะก็พอดีมีรับสังเข้ามาว่าพระเจ้าสุเนียงให้เชิญท่านไปกินโต๊ะจุ ก, กัดเกตผู้มีรู้ชาตาตนก็ขึ้นเกียนมีทหารแหร่หน้าแห่หลังตามยกย่างของผู้ยิงใหญ่จะเข้าไปเฝ้า สูมัร์เรืองตัวหนึ่งที่เรียงไว้มาเรือนนั่นนะ่ะมันก็เข้ามากัดเสือ้อตู ก, กัดเกตดึงเข้าไว้กัดึงเสื้อเข้าไว้ไม่ยอมให้ไปอย่างนั้นแล้วก็ร้องก็เสียงสูมัร์ที่ร้องนั่นนะ่ะกระมินเสียงเสียงคนร้องไห้ตู ก, กัดเกตก็หาใจา ย, ยิ่งนะกระหวาสูมัร์แล้วก็ไปไปได้หน่อยนึง เหงควันเพลิงพุ่งขึ้นมาจากแผ่นมินมันจึงเหยียบประวลาเหมือนเมือรั้งไปพรับที่เกิดเหตุนี้เกิดเหตุคล้ายๆกันอนี้คก็ประหลาดใจยิ่งนะอีกครั้งหนึ่งเป็นเอียดทหารคนสนิท ก, ก็เห็นอย่างก็ดีใจสติขึ้นวัดซึ่งมีรับสั่งให้ท่านเข้าไปกินโต๊ะครั้ง ก็หารู้จักเหตุหนักแร็วเบาแต่ประการใดไมคือมิ้งด้เหตุใดเลยให้มาเชิญเข้าไปกินโต๊ะเนี่ยขอท่านปลึกตรองให้จงดีก่อนอย่ายเพิ่มเบาความจูกลัดเก็บได้ยิงดังนั้นก็จึงเหีกลับเวียนกลับบ้านเป็นอิงกลับสุ่จุน ต้นคิดที่จะสังหารจูกัดเก็กรู้ว่าจูกัดเก๊กกลับไปซะแล้วก็ขับม้ามาทันเวีนจูกัดเก๊กเขา่าแล้วก็จึงว่าพอขับม้ามาทันก็พูดว่าพระเจ้าซื้อเหรียญเรานี้ถึงท่านมหาอุปราชยิ่งนะจึงได้เชิญเข้าไปกินโต๊ะแล้วนี่ท่านจะ ก, กลับไปไหนรอจูกัดเก็กก็ตอบว่าข้ามาถึงนี่แล้วมันได้ปวดท้องเป็นกําลัง ข้าจะเข้าไปเฝ้าไม่ได้ข้าจิ้นต้องกลับไปบ้านเองอินก็คือว่าแต่ถ้านมหาอุปราชไปทับกลับมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าไปเฝ้าพราะเจ้าสุนห์อินเลยพระองค์เอาพระภัยสย่ไต่ถามถึงท่านอยู่นเนืองเนืองแจ้งว่าท่านคลายจากป่วยแล้วก็จิ้นให้เชิญเข้าไปกินโต๊ะหวังที่จะปรึกษารื่การผ่นดิน ก็ได้กเข้ามาจถึงนี่แล้วนิสาแข็งใจเข้าไปเฝ้าสักหน่อยหนึ่เถิดกห้าระเจ้าคุณเหรียญได้บีเท้ไทยดูกัรเลี้เยเล็กวางดังนี้ก็เหนื่อยเห่วยว่าจะถือพี่ตายก็ให้คลายสงสัยก็กินกลเข้าไปเฝ้าเขียวเหยียดทุท่นปีนนะก็ตามเข้าไปด้วย กระจอสีเหลืยงก็กระทำทำนกักกกะเก๊กผู้ทีมษษ่มีการจัดการใหญ่แล้วก็เชนไม่นานเก่าอีเชนเซซุรามกกัดเก๊กนี้ก็ร่มะมัดระวังตัวอยู่ทุกขณะก็ถูว่ า, ขาเขาก็เจาตัวอยู่เซซุรามิดได้ซุ่จุก็จินว่า ถ้ า, าจเจอนมาอปราชก็กินยาดองกับสุราเป็นอัตราก็จะได้ขับพัทยาสายเลยอูญจุนว่าอย่างนี้แล้วก็ใช้เหมาไปเอายาดองมากินแต่หัวเป็นที่ชอ็อตพัทยาสายเยอะกิ้กัดเก๊กให้คนกลับไปเอายาดองที่บ้านมากินคือไม่กินสุราเพราะจะนำเห ไคนกลับไปยาดองที่บ้านมากินติดจุ่ยังติดจุ่นพระเจ้สุนียจูกาเก๊ตกินฟูรายาดองเมาหมุตัวพอสมควรแล้วก็ติบกลับเอา น, นื้ความสืพระเจ้าสุนเปวยกพระราชบิดาฝากฝังบ้านเมืองและฝากฝังพระองค์และกับจูการเก็ตเนี่ยมาเพื่อจูกาเก๊ตไว้ใจ ขั้นซึมจุนนั้นพวกเข้าไปยึดชากถอดเส้อออกเสื้แต่เตือนมั่คนคงดังต่เข้าสุดและถือกระบี่ออกมาแล้วก็ร้องว่ามีรับฟังให้เราฆ่าไอ้จิกัดเ็กซึ่งเป็นสตรองพันธี้นสิ่งชีวิตจูกัดเก็กโตใจเมื่อนจับกระบี่ขยับเัวเ่อลุกขึ้นสู้สุดจุนก็ฟังจูกัดเด็กสิษะขาโตกลัมา เตี้เอียดผู้ทหารก็จีบกองทกัเก็ราวเข้ามาแทงถงมือูงถึสูงถึงก็ฟันถุงใบเี่เอียฝ่ายทหารที่ถืออาวุธเตรียมอยู่ในฉานนันแหละก็คือกูกันออกมาูรแทงฟันเตียเอียดหารกัจเถึงจะความฝ่ายสุนถึงก็ฝันหารไปจับบุรปยาจี้กัเกศกับเตี้อียลิพัสนุกงเงินทั้งสิ่นั้น เข้ามาเป็นของเหลวพรานสั่งแล้วข้วายสนั้เอาเสือเนี่ยมาพันสกกเสตียวกัดและเตียเหยียดเอาไปทิ้ง น, นอกกำแพงเมืองข้างพิศใต้ควายภรรยาของจิต เทกหนักอกหนักใจเนยิ่นะ ม, มีเหตุการณ์าบนก็เกิดอรรัปานิลิกะรอสายเห็นหญิงคนชายคนซึ่งมปีศาจตีกัเก็ตมาเข้ามีินตียงม็นข่าวโรเดินเขา้ามาในเรือนแล้วก็ถามว่าตัวมึงถุงาลายเนหนข่าวโิพยาตกาเตื่อามยิงี่นะญิงี่มันซึ่มปีศาจตีกัด สิงโตอยู่เ น, น, นี่ยกู้เดียวปาเขาเดียวแล้วโดดขึ้นไปนั่งบนคืนแล้วก็ร้องว่ามึงม่กจักากูนีแร้นจี้กัดเก๊กขณะนั้นก็คนในฐานเข้ามาร้องเรือนว่ายจับมัด ต, ตัวปริยญาคี้กดเก๊กและคนในโรงเรียนทั้งฟิแล้วก็รีบซับพัสดุเงินรองข้าของทั้งเตียงแล้วก็เอาพวกคนทั้งเตียงเนี่ยไปฆ่าสีที่กลางตลาด สิงของตั้งหลายทังเปือนั้นก็เอาเข้าไปเป็นของหลวงสงิครั้งนั้นเป็นเนสองเพื่เจ้าสินเลี้ยงเสวยรละสมัตเป็นสองปีตอนนี้ก็ตรงกับปีพุทธศักราชเจ็รเสมื่อขิ้นถิน่ข้าตูกับเกกผู้วงจะตามเสื้อดังนั้นเพื่อเจ้าสินเลี้ยง ก็ตั้งชุจุนนี่แหะใหเป็นที่มหาอุปราว่าราชการแผนดินทั้งปวงแทนกุนกักตเป็นว่ากิน ก, ก, กัดเกตก็อปกวชื่อสายกันเลยครับจูการินจูกาลียนอ่า โชคชีวิตไปติดวิธีการอันคลี่คลานอันสุดจังยุบปีฝ่าเียววิหเสียงวยีอาแค่กวันากเกดมีการย้นกบพ่าถ้ากเดมีความตึรู้สกมีคางมีคามงมีความตึีามตึมีความตึมีความตึงมีความงมีความตงมีความตึงมีควาามตึงงมีมคงคงมีความมมคาีวาีง แล้วก็ทูลาลาจะยกกองทัพไปตีมูลวีปกเพราะเจ้าเหล่า เ, าเสียงก็ยอมเปียนวีกจะเปลียนฐานสี่สิบมิลให้เลี้ยวหัวเป็นปีกซ้ายเปี่ยนเอ็กเป็นปีกขวาให้ยกไปก่อนแล้วก็ให้แหววยกป๋าแหววะป๋าแซ่แหวแแหว แฝงแฝงศิลป์แฝงโจมนแหอะแค่์วัวป่าเป็นที่ศรึกษาในกองคหลวงแต่ความังกล่าวแล้วแคร์วป่าเนี่ยหนีมาอยู่กับเกียงเอียเตียงนี้เป็นประัะเป็นทับหลังคุมกองลำเลยให้ยกกองทัพไปทางบานแค่เบ่งขวนยกทัพไปคนนี้ตอนนี้ พระเจ้าเราเสียงเซเวราดัย16ปีเดียงกี้นั้นก็ศึกษาด้วยแหววป่าว่าเรายกกองทัพไปครั้งก่อนก็เสียทีแก่ข่าซึง่งครั้งนี้ทหารก็มากขุศากราวุก็พร้อมเราจังจะต้องคิดอ่านทำการห้จงสา ม, มาคถการจะดที่ารบระการได้ จีงจะมีชทรชนะกัีโกแห้วปาก็ถือว่าวัวมือขึ้นมีกกทั้งกว่กาเนื้อก็เห็นแต่ว่ามืออันหนังเนี่ยมีค่าลาอาหารบริมมณอถ้าเรายกไปตีได้านือันหนังก็จะได้เป็นกำลังไว้เอายืทหารเพื่อเรายกไปครั้งก่อนเน ส, สียทีแสข้าศึกก็ดีกว่ากองทัพหนังไม่พร้อมแต่กองทัพมีเกียร าจะมาช่วยก็ยกมามิทางครั้งนี้ขอท่านอ่ามีนิสัยไปยกกองทัพมาทางเส็เซ็งให้มาบรรจบ ก, กับกองทัพของเรานะเอ็งต้องเต็มใจร้อมกันและเราจะยกไปฟีดเงิงอันหนำ่ำให้รัวาให้ขำแม่น้ำนจาานเจือกเงนเดือนฟังกดีกว่าดีกูจะไม่จัดแจอุ้มเอาเทชเอาเงินทองไป การไปถึงปีสองจะมือเกียงให้ยกกองทัพมาช่วยปีสองจะมือมั่นหนอกได้บรญชาการชนีก็ดีใจนะก็เปลี่กองทัพให้หาบินให้โหเสี้ยวให้โหเสียวกว่าสองคนเป็นแม่ทัพมาส่วนตัวปีสองน้งเป็นแม่ทัพเหลียวยกไปเมืองปังติง ตัวปีสองนั้นเป็นแม่ทัพหลวงยกไปเมืองตองติ เคือเหลืจะม น, น้องนเกแก้งหวัดเกียวมียกทัพมาก้มาใถึงถุงเข้าไปแก้ขไขเหตุการณ์ น, นมีิ้วยซูมาสูก็จีศึกษาคุณนานทั้งตัวว่ากองทัพเกียงอียกมาครั้งนี้เน่ผู้บัญาอาสาไปปัน้นทานได้ที่ิคุณนาผู้ใหญ่ของมึงก็จิงล่าข้าพเจ้าจะขออาสาออกไปเอง สมาศูนววาเนี่ยเียอ่แต่อนระวาดทีจิตนีเป็นคนดีมีสติปัญญาและมีกาลังมากควรอาหาในการสงครามเพิ่มโดยทีจิตคนที่รับอ า, าสาผู้นี้ก็ดีใจนะอให้ทีเป็นทัมาและซงมาเดียวเป็นทับเนื้อนคุมบางยกไปยังเนื้อตงต ก็ตรู้ข่าเหมือนกันครับถึกมาทางไหนกระกายไปก็ยกรับไปทางนั้นแหละชีสิดนี่ขุนขวานเป็นอาวุธนี่คาคลาสีเหลวสีเหลวขุนขวานที่รนรับไปแล้วฐานเอกของโจโฉนะ่ะสีเหลวเจะใช้ขวานเป็นอาวุธมีชีสใช้ขวานเป็นอาวุธเหมือนกันทีมาขุนหานออกไปเทียนอีนีก็ใช้เลืยว่ะุหา น, นออกรูกเบือ ปี ว, วัวนี่านเก่าแต่ครั้งคุณอุ้มปีวัวก็รี่เพลนขี่มาคุณานะออกมาสู้กับชีติกต่อสู้ก็ได้สามวเพลนปีวัวสู้สู้ขุ้นขวนได้ได้คือทวรพลาดไปจะมีเสียทีก็ทากมาหนีเปลี่ยนนเลยียเอ็กออกช่ ย, ยวเปอ็ ก, ออกก็ขี่เพลนคีมาออกรบกับซีติกสู้ได้ประมาณห้เลยหนือกลังนนะั เตียงเอ็กซนีหนีอทีตีเห็นตัวสีนี้นนก็ฟาดถามว่ารุกบุกมันเข้าไปข่าทหาร e e เกียงอีสเป็นอันมากทีเดียวเียงอีเห็นทหานกราฟั่นกสะฟายนักแตดป้าทผ่านนีด้ก็ล่าทับถอยไปประมาณ300อยเซนไ ต, ตั้งไข่มั่นคงอยู่ชุาามาเตียง้เกาะทหารนี้ตองตดามละ แล้วให้ตั้งค่ายมันอยู่นักที่นั่งเช่นกันที่อยฟ้ามาเป็น300ส0มรซอยสิบเอาือเพราะเพ่นที่ว่าฮเดี๋ยวราสมรสาันตั้งค่ายเดียบร้อยแล้วนี่ก็ติดสารกับเทียวัวป่านลยว่าขุณขวานแห่งมีกุ ก็จะให้ฐานที่ซื่อดีเนี่ยไปกระทบเข้ามาเห็นอที่จะดักจิดได้เป็นมั่งคนจีนอีกก็จึงพูดแบบซูมาเกียวคนเนี้ยป็นบุคคมาอี่เห็นเขาจะทิมานะในกุลสิ่งที่จะล่อเยีดังนั้นเกินจะไม่สมความคิดดี่ิพย์ทามันชอบอนนะเห็นเขาจะไม่ติดตา ม, มา เราดีวัน่านเรียนดีก็จะมาทำกันแต่เราแต่ก่อนนี้ก็มักคะกองพักไปสกัดตัดทางลำดนของเราอยู่มีกินวีเอาขุของคราวที่เราแล้วมาวิเคราะห์แล้วก็จะได้หาทางแก้ไขอะนี่ยกนีว่าอย่างนี้แต่ก่อนก่อนนี่นะเราก็มักจะส ไปตักกองลาเบีน เ, น, นเฉลี่ยยืนอยู่เฉลี่ยมาเดือดถึงก็ผ่าแท้พร้อยตักไปทุกคราวแต่ครั้งหมาวปรลาดรกเหลนะีพ่สซึ่งเราจะค่าชีจิตในเที่รโลกซึ่งๆมหนาบางนีนเห็นจะไม่ได้เว็กกำลังก้มมาทหารก็มาเราตั้งมัอยู่ในค่ายไม่ออกรลกชื่มาเกียวก็จะใช้ชีจิตไปปีลำเบียน ไว้เราคิดอ่านเมืองชีทกิเลสเชื้อทีแ่เราเมื่อไปฟีรอมเบียร์ที่ทางแค่เห็นก็ได้ชัยชนะมากกว่าแฮรวัปป่าความคำโต้แยงของเกียงอูแยงก็เห็นชชบด้วยคือจะคิดลอหลอกกันเข้ามาที่สุนหน้ า, นเ า, าเนี่ยเขาเอาไม่มาแน่เกียร์อี ก, ก็จึงเดียวรายวัวเดียวเอ็กมาสอนให้ทำเป็นอุบาย ตัเวเองเคยเคยทำมาพร้อมกับคนไม่แต่ครั้งหน่นั่นแหละให้เปรวมขี้กิและก็ดเช่ใช้ได้ไปฝั่งสองอมาให้หมดแล้วเรียก ว, ว่าตัวเองก็ไปกระทำการเหมือ น, นความที่ติดเกียวมีสั่งมาละไปเปลนการเขาวะฝ่ายเกลียง อ, อยู่รักษาไข่ไขาฟัานทาควาเกิดจากเดรายรอบไข่ จะให้ตัดไม้ทำควาปัดรอยรอกชั้นนอกบ่อไปเป็นอันมากจะไม่ให้าขาสุดเข้ามาประชิติกข่ายได้หรืฝ่ายคีด»ติดขุวขวานทห้รกล้าแห่งนี้ก็คุมทหารมาน่าข่ายเกียงอีร้อน้าทายทุกวันให้เกียงอีกออกมารบกเกียงอี ก, ก็ไม่ออกคนขี้ติดจหัดเ็ไปชิงข่ายก็ไม่ได้เขาไปกระชี้ติกข่ายก็ไม่ได้ ยัม่มีวางแผนป้องกันค่ายวิญยาณเข้มแข็งมั่นค้าณะนี้นกองสอบเนมก่อหามาใช่มารายงานแก่ซูมาเกียวแม่ทับใหญ่ว่าทหานเกียงิอีคุณลำเรียงมาถึงหลังเขาเพ ล, ลองสังซูมาเกียวก็ปรึกษากับชี่จีนีและวพวกเกียรอีนี่ได้ออกมาขู่รบกับเราทั้งที่ทาํากอไปท็าทาพายเป็นหลาวันตั้งมันดีไม่ค่ายฉันนั้น เราลอยกับเียอีจะคอยกองทําหมุนจำเราจะต้องเห็นเต็มตากยามเบชมเด็กเตีย e. E. ัดสมตรเบียนมืแล้วกนจะต้องหนหีเราเป็นมั่นคนิ่มูมาเกียก็ใช้แขนหนุง แ, แต่ครั้งซูมาอีพูกขีวิตอยู่ก็เคทำแบบนี้ก็ใช้แขนกานลางเนแต่ซูมาเกียก็ระ บ, บิสงังเรือคิดที่จีน่อ่แหละดที จนคุณหารไปตัดลำเบี้ยให้จงได้ชีติตกกัขมามรับคำคุ้มทหาร 5,000 ยกไปในเวลาครบคันไปถึงเขาเทียบลองสังนี้กองสอดเหน่งก็มารายงานแก่ย ก, ก, กีอ่ยอ่าคือคืออขอไปกองสอดเหนของชีติบดีก็รายงานที่ว่ามีทหารกนมีประมาณ2ร้เศษค ซาเียงลำงมันทุกโขยนมาประมาณรเซนีชิินกระบังไปเจอป่าปไปเิเบียีออดแมนมไปสควาวม้วก็มาแจวันเนี่ยมาแล้วอเวีของจงมีมาแล้วชโเยนเป็นดตจกัญาของระลทีเนนเ่เคยทำไว้ชิจิัก็ถาสืบ อ, อา ตัวเองไปตั้งส ก, กัดดิบต้นพันกองสอดแมนมก้อยมา้าชา i ไปบอกกินอีมีตั้งฝ่ายกิยนอีกกับมีกองสอดแมนมเหมือนกันยอกชิดกบยกทักจะไปตีกองลำเบียนสเสบียงของเราแล้วกินอีกก็ยก e ัพมาครั้นกองลาเบียนไปถึงเข้าชิดกบขุนขวานไม่ค่อยฐานโหรองเองกระนาขก็ไปถาหารตคุมลำเรียน เอเยนประมาณร้อยเศษนั่นน่ ะ, นะก็หนีไปตามทางสิ่ง e เดียวว่าเดียวเองจะทำโอนไว้สั่งไว้ทุกประการแล้วตามแผนที่เกยงนีสั่งจะไปกระทำแล้วนี่ที่จริงนะให้ถาน2 5ง0ั้ารคุำเรียงกลับมาเพราะใบเบิเสบียงแล้วคุณตัวเอง่าฐานขึ้นนึงคือ 2,500 รหายติดตามไปที่อยู่ครั้รติดตามได้ประมาณร้อยเศษ อปถึงทางแค่ก็ได้พบ I, เ ป, เเเเปลี่ยนโอเ น, น, นเป็นอันมากชุดเรือวัวเกอ็กซกะทำขวางทางเขวะตชี้จิตด้าสารงจากมาช่วยกันฉันเปี่นใหเขาแอบข้ามทางทหารก็เข้าปุมบุ้งช่วยกันทหารที่ตามมาก็ขับข้าวเห็นเด็กั่เป็นอันมากทีเดียวแต่พอเปลี่ยนโอนไว้ออกจากที่เท่านั้นแหละก็เกิดเพลินขึ้นในเปี่ยนเป็นผูพผู้ออกมา คูอาหารคนชีกิตรบป่าเกิดตัวเป็นอันมากที่อยู่ี่เห็นสติกัญญาเกี่ยงรีกระกันเรีเว่าจะทำระเบิดจะเป็นระเบิดเครือง ร, ร, ร, ร, ร, ร, ระเบิดเรือานรระเบิดไะฟ้าชนุ่มไฟกระตายไ้อย่างไรก็ตา ม, มาเถเือดหกสเครื่อแต่ว่าถุนนั้นมันก็จะเกิดระเมิดขึ้นเนี่ยหนีเกี่ยงวีกระทำบ่ายสามสิเอกระเบดหลวงก็ทําจะนี้มเมื่อฐานชีกิไป เห็นปีนขึ้น อ, ออกจากที่ท่านั้นเองเระเบิดสนันวันไหวไป เ, เลยทหารชิจิตเจ็บปวอล้มปลาเป็นมากทีเดยวชิจิก็จิตคิดทีเดียวว่ามีเขาทาโอมขวางหน้าไวจ้จามนี้แล้วเขาจะกับไปทางที่เรามาเนี่ยย่อแมแน่เรยเกินเขาจะต้องซึมทหารสกัดไวแ้แน่นอนแล้วมีูที่จิตคะแนนอย่างนี้ละ ก็จึงพาฐานหนีไปทางน้อยลินเชิงเขาข้างหึกคือไม่ย้อนจาับทางเดินละ่ะพอไปใกล้จะถึงป่าทางข้้งลุ่มก็พลเวียนเอุนแอบดูรินสองฝ้าทางเินมากก็ตกใจมามก็จึงเป็นฐานจะปพันที่เทเนน้นล่ะดูริมก็เกิดละเบิ้ขึ้นเกิดลมเบเิ้นพื้นพื้ทั้งมันวันไวต้นปลามาจะเียนทงสองขัทางแหละูทกทหารผมทิป ร้มปลายลงมากมายนะทิจิกก็พาทหารที่เหลือตหนีพ้นไปไม่นี้นจากบังยินแผนที่สองนี้ก็ยินเสียงกระแทกสุกคามดังขึ้นและแลไปเส้นเดียวหั ว, วออกมาจากข้างซ้ายเดียวเอ็กออกมาจากางข้างขวาอุ้มฐานโบราณตีก้นหนาเข้ามาทหารท่จิกล้มปลายสิ้นจิกเหลวอปากคุ่ม ข, ข, ข, ข, ขวานไปกพวกมานหนี ไปพบเกียร์อคุหูหมายจะตัดทงอยู่ชิกิโตกใจนะกลับอาวุธเข้าฟื้นก็ไม่ ท, ทันไปแล้วเกียร์อีกระตุ้นมาเ พ, พ่งพลังยังรู้ก ร, ระทะแทงมีควรผูกชิกิโตกจากหลังมาลงมาทหารของเกียร์อีก็เข้ากุมรุมกันฟันแงทงชิกิกจนถึงกับคว่มตายในที่นั้น คุณอันว่าเกียรีสังหารที่กิตคุวาง น, านองค์กรมสำคัญของซูมาเกียวโดยสำเร็จนะพฟ่ายทหารของที่กิอีกขึ้นหนึงที่คสบียนอาหารมาเนี่ยก็คุมมานี่ยคิดว่าจะได้สเบียนอาหารเหล่านั้นไป เ, นเพราะเกีมีวางแนไ้เสร็จแล้วมีกลุเรีนองเกียมีาหารตอนนี้คุณสเบียนอาหารนะมา อย้โยนร้อยเศษนี่นะก็มาพบแหัวป๋าเข้าแหววป๋าเอาฐานล้อมไวทหารคมขี้จิกเหล่านี้ตัวนยก็ไปอยู่พอตัวนากติา ป, ปามก็ไปทางนี้ตนเองเห็นว่าจะชื่นี้ได้ก็อ ย, ยอมเข้าไปแหัวปาแหววป๋าทหารของตัวก็ถอดเอาเสื้อตันเป็นอของทหารขี้จกีมาสวมใส่ และข่ายถานผู้ททงของชิจินำหน้าพาทหารและเสบียงเหล่านีเก้มไปยังค่ายซูมาเกียวละแห้วัวป่าจะทำการใดเนี่ยฝ่ายซูมาเกียวเห็นทหารของชิจิไปเป็นกองล้อมเสบียงอาหารของกิมาได้จนนั้นเนี่ยก็เพ็นแค่เห็นอะเม่รู้ข้อเท็จริงเรื่องนั้นก็เปิดประตูค่ายให้เข้าไป แผลหัวป๋าก็พาฐานเข้าไปในค่ายซูมาเทียวได้แล้วก็ไล่ฆ่าฟันทหารซูมาเทียวซูมาเกียวต้องพาฐานหนีหนีออกไปได้เรียกว่าเดวเอ็กเรื่อยมาพบซูมาเกียวเข้าก็พาฐานก็ลงีซูมาเกียวซูมาเทียวป้านผ่านนีได้หนีกระโดไปทางนึงก็ไปพบกับกองทัพเกียร์ีเข้าเกียร์ดีก็พาฐานก็เกมปี ชูมาเกียวมีหนุที่จะพาถหนรหนีไปยังไรได้ก็ขึ้นไปบนยอดเขาเทือยลองสังอันเขาเทือยลองสังนั้นน่ะมีทางจำเพาะทางขึ้นอยู่ทางเดียวแล้วก็มีหุ่งน้ำน้อยมีใหงนก็พอจะกินได้สักร้อยคนทหารที่หนีขึ้นไปด้วยกับชูมาเกียวน่ะประมาณหกพันกินไดมันเพียงคู่เดียวก็แหง เอ็นดีจะตามขึ้นไปก็ตามขึ้นไปนี้ได้ก็เป็นคำถามร้อมเชิญเขาในวัดซูมาจิวเอ็นมาและทหารทั้งปวงเนี่ยอลอันาะนยิ่งนะเมื่อมาคือดูไปบนอากาศอาดใจจนยิ่งนะในที่ก็กระทริบาแล้วก็ร้องออกมาว่าทพ่เคยดาไม่เอ็นดูเราเลยได้อดน้ำตายไปอย่างนั้นดิ ซู ม, มาจิโอเบ่โยกเทวดาอย่างนี้เบนน่งนะคือกระทึกพาวเดี๋วก็ร้องกันโด้อย่างนี้เทะดาไม่เอ็นดูเลยแค่อกน้าตายที่กระนั้นเลย อ, องโรเป็นสมดุบัญคีของสุ ม, มาจทียในก็จริงเลยครั้งก่อนเกิกนกระยงคนยกกองทัพไปรบกับข้าศึกและไม่มีน้ำจะกิน จะไปพบห่วงน้ําแห่งหนึ่งเข้าแต่ก็หาน้นดดาําม่ได้ก็เลยกราบไหว้รุ่นเสียงพายเทยดาก็ไปกินน้าบริบูรณ์มาบักนี้ท่านขัดสนด้วยน้ําในครั้งนี้ก็ขอได้ลองเสียงพายดูเถอะอองโถพระสุมาเทวเสียงพายดูไม่เจิดกระทึกท้าแล้วก็ร้องว่าเอวานาเท่ น, นั้นน่ ซิ ม, มากเกียวชอบเดือดก็ขึ้นไปถึงห่วงน้ำนที่แห้งแล้วนั่นแหละฐานของเติกนกินต้นเหตุของอยน้ำก่อนแห้งแต่ทีนี้ทีนี้ก็กราบลงสามครั้งแล้วก็กราบคำเสี่ยงตายว่าถ้าเป็เจ้าซิ ม, มากเกียวอาสาที่จะเป็นดินมาปราบราบฆ่าสึถ้าข้าพเจ้าจะสิ้นชีวิตแล้วก็ขออย่าให้มีน้ำมาเลย เขาเจะได้เชื่อยอตายเสียคื อ, <ś c oughs> ขอเขาเสียใจอย่างนี้และทหารทุปวงก็จะได้ยอมเข้าไปหาข่าชิดเพื่อรอดชีวิตแต่แต่ถ้าคี้ยวยังจะมีชีวิตอยู่ได้ก็จะได้ทำกิจการรักษาแผ่นดินสูบไปก็ขอเทพเจ้ญญาดามันนาไม่มีน้ำมดเต็มห่วงนาำนี้เถอะชื่มาเดียว คำเสียงพายแบบนี้พอสิ้นคำก็มีน้าไหลออกมาเต็มห้วยนาเลยทั้ ง, างหายามลำมาก็ดื่มน้มําบบบริบูรณ์ไม่รู้แห่นี่ชมาเกียวรลอดตายดูดีทีเสียงพายอามีน้ำเติบขึ้นมาอย่างนี้ฝ่ายเกียงอุน่นเกี่ยวอุ่อยู่ข้างล่างร้อนภูเขาดิบก็ ท, ทิ้งหลัแต่ฐานรื้ออว่ะ หาอุปราชกเหวเคยอมูมาที่ไว้ครั้งหนึ่งไม่หยุดเขาแต่ก็ยัหาจับตัวได้ไมในครั้งนั้นเราก็ยัมีความแขนอยู่ครั้งนี้เราและฟูมาเกียวคนจะไม่ทนเราเป็นม่คจะัตได้สำไปเอาที่มีราวดังนี้ ก็เห็นว่าซูมาเทคจแน่ไหาดีหมยว่าซูมา c ทียวมน้อางฉีทั้งท ร, ราานะบายสำเร็จคือฝ่ายตห ม, มเมองจอ ง, ง, องอี่ยอยอยิ มาเกวเขาทีงสันก็ปรึกษากับต้านายเนี่ยว่าจะยกกองทไปช่วยต้านายก็คว่าส่จะยกไปช่วยนั้นเน่ขจเกอยู่พยอกมาครั้งนี้กองทัพมืเกียวก็มาด้วยแลยกมาถดเออลครัมีเีย ราดว่ารยกกองทัพไปช่วิมาจียอกองทัพมืนเกียงก็จะยกเข้าปีเอามืองเรานี่จะไม่เสียชีวนตข้าเจาคิดว่าเราจะทำรายกองทัพมือเกียวเสียก่อนโดยจะทำอุบายให้คุดมือกว้างยาวสกัดไว้แนบดและข้าพเจ้าจะไปโยนปีสองจากมือเกี่ยวที่ยกมาปีมือเรา องค์เจ็ดจับปีสองกำจัดเสือได้เดือกกำจัดปีสองได้แล้วปีกำจัดองค์ทับยีเขียงได้แล้วก็จะได้ยกไปช่วยฮิมาเจิโอโมนต้องระวังหลังเลยเออหว ย, ยฟางตานถ่ายกล่าวจะมีก็เห็นชอบเดือกอันนี้เองจิี่เนี่ยเป็นมือที่แหววป๋าเป็นจเจ้ามืออยู่ก่อนเอาเลเห็นชอบเดือกอ่ะ ก็ให้ต้านท่ายุ่นาห้าพันเป็นปีสองเราป่าองก็คุดหิางไว้เป็นที่รียร้านท่ายกยกไปใกล้กองทัพปีสองเรก็ให้ทหารมาฟาดราบแบกเข้าไปปีสองต้านท่ายไปถึงปีสองมีอุบายครับอกวกเขาไปหาราบล้รงไห้แล้วก็กลัว ข้าพเจ้าท่านก็จัการอยู่นี่เลยเหวียะมีความชอบมกักหนาแต่เลยเหวียนี่ได้ยกความชอบของข้าพเจ้าขึ้นมาเลยตั้งตัวเป็นใหญ่แล้วก็คิดติดจะกาจัดข้าพเจ้าซะอีกรอบข้าพเจ้ามีความไม่ใจนะจึงสมัครเข้ามาเป็นข้าท่านขอผู้มุนท่านเดือดและดิข้าพเจ้าแก่งดิบก่อนจะทำนิสติตปัญญา รูจากรีพมคนดีขีขบเจ้ากินมาเข้าด้วยท่านและสึ่งจะเป็นอมุนเองจีนนี้ถ่าเป็นพรัก ง, งานก็ะ จ, จะแต่พูดเลวจะนู่นนั่ต้องได้ละมาเลยขอให้ยกอ่อนทับแต่แต่ในขั้นวันนี้ครับขบเจ้าจะขอไปแก้แค้นนี่ตั้งทายธรรมอุบายอย่างนี้มีขอังจะมือขียง ผู้หาปัญญามิได้ก็เชื่อก็ฟังให้โมโหเสียวกว่ารถกองทัพไปกับต้านทายโมโหเสียวกว่าค่อยทหารต้านทายอยู่หลังหลังเอาแต่ตัวต้านทายเนี่ยไปเรียกไปก่อละเวลาสอยามก็ไปถึงเมืองเอ็นจและไปเห็ประตูเมืองเปิดบุกต้านทายก็ควกมาเข้าไปบอกเตียหวยคือรี่าบหน การแต่งคู่องเนื้อเสือกจดอย่างเดียแต่โดยความจริงเนื้อเสือกวเพราไม้นคืออุบัติการณ์ใดหรอกคืด้วความเชื่อเหมือนมยงปีสองที่เป็นมาเชื่อเนี่ยป้าไทยก็พวกม้กเขาไปบอกเลยเะที่การเรียนกรับไปพาไะบอกมาตียกหลังที่ทํารตรงป้าไทยที่ตามมาทันหลังนั่ะ